ถึงมีก็บางทีก็จะจิ้มเด็กก็จะง่ายเวลาศธรรมะก็ศุลธรรมะป่านะการนั่งตามสบายภาวนาปนไปในตัวการฟังธรรมะคือว่าเป็นโอกาสภาวนาคือว่าเป็นโชคลาภการสังธรรมะที่จะได้ความสุขความเย็นใจ ก็เนื่องจากตัวเองฉลาดจึงจะเกิดสาระประโยชน์ให้ในอย่างนั้นก็ <c oughs> การสั่งท ร, ร ม, มากกว่ารำคาญใจมีความสุขความสบายอะไรพาใจไห่เซินใจไม่สงกเหมือนดูหนังตังเพลงต่างๆสิงใจเราจดจ่อก็เลยถือว่าเรื่องเหล่านั้น มันสุกมันสบานมันเทินเสียงเงินเสียทองผ่านประตูก้ยยินดีที่จะไปดูไปฟังกันเพราะคนส่วนใหญ่ที่มีกิเลสในใจชอบสิ่งหยายุไม่ชอบความสงบไม่ชอบความสบายชอบความสนุกความชอบความสนุกบ ục, นกรตรงเป็นอย่างนั้น เมือมันมีทุกข์ตามมาภายหลังได้ยินได้ฟังไปดูเพลิดเพลินกันมาเหน็่เหนื่อยเมื่อยหกบเวลาทาการทางานเยใจ้ายหลังมันะพักผ่อนหย่อนใจอย่างนั้นอย่างนี้แต่การฟังธรรมะนี้ในทุกอย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะเยู่จิตใจให้เพลิดเพลินมัวเมาหลุ่มหลง ไปทางชั่วทางเสียถ้าฉลาดฟังเกิดประโยชน์แก่ผู้ดับรับฟังเป็นส่วนใหญ่คือมีจิตมีใจสงบมีความสุขทางใจเห็นอาจเห็นธรรมจึงเราไม่เคยรู้เคยเห็ น, นเคยเป็นมาก่อนแล้วก็เชื่อมั่นว่าความสุขแท้จริงไม่ได้อยู่กับวัตถุ อยู่กับอารมณ์ส่วนอื่นเพียงฝึกจิตอารมณ์จใจของตัวให้ส ง, งบรวมลงท่านั้นก็เห็นความสุขอศัศจรรย์ซึงโลกทั่วไปเขาไม่เห็นกันแต่มีเงินจี่หมุนจี่แสนล้านจะไปจ้างดูที่ไหนก็ไม่มีใครเขาจะเปิดดูให้เพราะเรื่องนามธรรมความสุขขอ ง, ขอ ง, ของจิตของใจนั้น <c oughs> มันเป็นของส่วนตัวเองที่จะประกอบขึ้นแต่นั้นการฟังธรรมจึงควรทำจิตทำใจให้สบายเพระระยะฟังธรรมไม่มีจิตการงานอันอื่นตลอดถึงเสียงต่างๆทางที่จะยั่วยุ จ, จิตใจให้หลุ่มหลงมันก็ไม่มี หน้าที่ใจก็ไม่ได้ทำงานอะไรวาจ่าก็ไม่ได้พูดคุยกับใครใจก็อยากจะให้ไปคิดไปนึกเกี่ยวข้องกับสัญญาอารมณ์อดีตที่เคยผ่านมานี่คือการตั้งทำถูกต้องคนที่ฟังเป็นอย่างนั้นสามารถทำจิตทำใจของตัวให้สงบให้รวมรวมได้เห็นอจัเนอจเริยธรรมอัจฉรย์ขึ้น มีการฟังในสมัยพุทธกาลท่านฟังแบบนั้นผูกฟังท่านจริงเป็นโสดาแต่จิทคาคาอนาคาละหันแต่เราฟังกันสมัยนี้ในเป็นแบบนั้นฟังกันพอเป็นพิธีคุยกันไปเพลินกันไปจิตใจมันจะสายแสไปตามสัญญาอารมณ์อะไรไม่เคยคิดเคยนึกไม่เคยแง่เคยสอนตัวเองเมื่อเป็นอย่างนั้น ความเจ็บปวดเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยหิวก็เกิดขึ้นลำคาญเหตุเชียงในจีนาจีก็นานเยอะเกินการฟังธรรมมันมักเบื่อไปแบบนั้นคนจึงไม่ค่อยเข้าวัดเข้าว่าสนใจในอัดในธรรมกันเพราะใจมันชอบเรื่องวัตถุเรื่องโลกผู้ทุชนทั่วไปมันเป็นแบบนั้นพะไห่เคยเห็นความสุข อัศจรรย์ในอดในธรรมแต่ถึงอย่างไรก็ดีสมัยพุทธกาลหรือสมัยนี้กิเลดตัณหาก็หนาเก่าไม่มีอะไรจิตแตกแตกต่างกันสมัยนั้นความแจกความเจ็บความตายก็มีวันคืนเดือนปีก็มีสมัยนี้ก็ยังคงเส้นคงวาเรื่องกิเลสตัณหาที่ก่อปวรจิตใจนั้นทุกคน ยอมราบดีว่ามันเป็นคิดเป็นไทยนำทุกนำโทษมาให้ในใจนำความสุขความสงบมาให้หญิงคนใดมีอารมณ์มากเท่าไรคนนั้นก็เกิดทุกมากเท่านั้นคนใดเสียสละอารมณ์ออกไปทาจิตทําใจให้นิ่งให้หยุดคนนั้นก็มีความสุขความสบายหญิงละถอนกิเลสตัณหาขั้วเสียต่างๆออกไปจาก ใจได้เท่าไรใจก็ยิ่งทองใสใจก็ยิ่งเยียกเย็นแต่พวกเราถ่วไปเกิดมาไม่เคยได้สดับรับฟังไม่เคยศึกษาไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ทางศีลธรรมมีแต่คนแนะนำสั่งสอนว่าทาอันนั้นทาอันนี้ดูอันนั้นชมอันนี้เป็นของดีของเด่นของประเสริฐวิเศษ เกิดมาได้ยินใจแบบนั้นเคยเห็นใจแบบนั้นมันจึงไม่สนใจกันเข่าที่ควรพระพุทธทเจ้าที่เป็นศาสดาสอนโลกพระองค์ทรงสลาดเหนือมนุษย์ท่านจริงเรียกว่าอริยะมนุษย์ไม่เคยติดเคยเพลินจนลุ่มจนหลง ถ้าองค์คิดอยู่เสมอในความเป็นอยู่ของท่านในขณะที่ท่านยังเป็นฆราว่าปกติมนุษย์ธรรมดาสามัญชนอย่างพวกเราซึ่งไม่เป็นอัศริยะก็กลาถนากันอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากมีสิ่งคานบริวารสมบัติพระสฐานตา่างๆยินดีเจมใจเหลื่อมใสศรัทธา อยากได้มาถึงลากยศสรรเสริญสุขส่วนฟ้องโลกนีพระองค์มีครบสมบูรณ์คือเป็นกษัตริย์บริษัทรบริวา ร, ร, ร, ร, รของท่านโกมาสมบัติทัศฐานเส่าข อ, ของทุกอย่างกมเต็มสมบูรณ์ไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องพระองค์ก็ยังไม่ลุ่มหลงในสิ่งของวัตถุต่างๆพยายามพินิพิจารณาถึง สังข า, ารร่างกายของท่านสม่ำเสมอมาถึงจะมีอำนาจราชนะเจนหูมียศจากใหญ่โตขนาดเจนแต่สัตว์ก็ไม่มีทางที่จะแก้ไขความแก่ความเจ็บความตายออกไปได้ไข่ฟ้าไปชาชนที่เขาเหลื่อมใสศัทธายกเราขึ้นเจน เขาตัวไม่มีพ้อไหนที่จะตำหนิตัวของเราได้เราปกครองเขาเขาก็เต็มใจพอใจในเคยตำหนิว่าไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้แต่ปกครองเรื่องประชาชนคนอื่นพอปกครองได้แต่จะปกครองกายปกครองใจของตัวเองปกครองยังไม่ได้ คือความแจ่มันขับไล่ตามมาอยู่ทุกวันทุกเวลาวามเจ็บมันก็เกิดขึ้นได้ถึงจะมียู่ยารักษาขนาดไหนมันก็เจ็บได้ความตายก็เหมือนกันเหงเป็นเช่นนั้นถ้าองค์จริยนิพพ์ใจนาหาทางที่เนตรแต่กลมคือออกบวชถ้าอยู่เป็นคารวะ โอกาสเวลาที่จะที่เจรานาธรรมะละเอียดอ่อนอย่างนี้คงไม่มีเวลาที่จะเจอจะเห็นเพราะธรรที่ละเอียดอย่างนี้ยังไม่มีใครเคยแนะสอนว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรคิดไปที่เจรานามาความเกิดมีความไม่เกิดมันก็คงมีความแก่มีความไม่แก่มัน ก็ตามมาจากความเกิดความแจ่ความเจ็บความตายไม่เกิดแค่อย่างเท่านั้นมันก็ไม่มีทางที่จะแจ็จะตายได้และจะทำอย่างไรสาเหตุที่ให้เกิดคืออะไรถ้าองค์ ท, งที่นี่พี่จเจนะเห็นว่ามันเป็นเรื่องละเอียดควนที่จะออกผนวนัตพี่จนาอยู่ทุกวันทุกเวลาอยู่ในสถานที่วิเวก ไม่มีรูปเสียงเรื่องราวต่างๆมาลบกวนพระไถจึงจะทราบได้นี่สาเหตุที่พระ อ, องค์ทรงพระหนวกที่เป็นศาสดามาสอนโลกพวกเรามีโชคลาภอันใหญ่หลวงเหมือนกันกันกบถนนท้อทางที่เขาทำให้เสร็จสับดับดีทุกอย่างแล้วเราเดินไปได้สะดวกสบายนี่ท่าน ไม่มีใครมาแนะสอนให้ไม่มีทางเลยท่านทำถนนให้คือถางดงพงป่าออกไปพุทธบริษัทสาวกถั่วไปก็ เ, ปเหมือนเดินตามหลังของท่านที่ทำถนนให้แต่นั้นการกปฏิบัติของสาวกจึงสะดวกสบายง่ายกว่าพระพุทธเจ้าแต่พวกเราทุกวันนี้ ก็ไม่ได้สนใจว่าธรรมะนั้นมีคุณค่าสาระอย่างไรแก่ตัวของตัวเท่าที่ควรสนใจแต่เรื่องกายอาหารของกายขาดไม่ได้นีแต่รับทานกันอยู่เรื่อยไปตลอดท่้งที่อยู่ที่อาศัยของกายก็ทำให้สินเงินสินทองไปเท่าไรต่อไ่เสียดายหาแต่ความสุขของกาย ใจนั้นถึงจะมีความสุขสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วกอดตามแต่ความแจะซึงเกิดจากความเกิดนั้นมันไม่เคยลดละเรานอนอยู่มันก็แกะเรานั่งอยู่มันก็แฉะมันแจะไปที่ไหนนะแจะไปหาเตามันเป็นอย่างนั้นแล้วความรุ่มหลงของใจคือไม่เคยใส่คิดในอดทามนั้น มันเลยติดไวสนิทแม้จะคิดว่าเราอยู่ไปนี้ก็อยู่เพื่อความตายความตายนี่อยู่ข้างหน้าด้วยกันทุกคนไปความลหลงไหลใส่ฝันในสำราญจิตใจเสียเลยนี่แต่จะเอาสายเดียวอันนั้นกอของกูอันนี้ก็ดของกูนี่แต่กอดแต่กลยอยากได้อยากดีอยากมั่งอยากมี แล้วคนที่เขาเกิดมาก่อนเขาตายไปก่อนเขาก็เป็นอย่างนี้แล้วเขาได้อะไรไปเขาหอบเหนียวหาบหามไปไหมถ้าเขาเอาไปได้เขียนยินเราก็คงไม่มีอยู่เพราะทุกสถานที่เคยมีคนเกิดคนตายกันมานับไม่ท่วโลกอันนี้ไหนสาว่ามันเกิดมากี่ล้านปีไม่สามารถที่จะทราบได้ คนเคยเกิดเคยตายมาแล้วกี่แสนกี่ล้านมันก็นับไม่ได้ตัวของเราเองก็เหมือนกันไม่ทราบว่าเกิดว่าตายมากี่ครัง้งกี่หนเพราะสัญญา อ, อนิจจาความจำนี้ไม่แน่นอนไม่ต้องพูดถึงชาติก่อนพบก่อนเรามาวันนี้เรือมานั่งอยู่เดีด๋วยวนี้ยหายใจออกกี่ครั้ง หายใจเข่ากี่ครั้งถามเท่านี้ก็ติเพราะเหตุใดเพราะสติไม่ได้อยู่กับตัวของตัวพิ้ว ป, ปุ่งไปในเรื่องต่างๆอยู่ตลอดเวลาแต่พบชาติที่ผ่านมามันจึงหลุ่มหลงใช่ไหคบว่าตายแล้วเกิดอีกหรือตายแล้วสูญไปเพราะใจมันมีตืมันบอดไม่สว่างสวัยไม่เห็นถนนทนทางให้พระพุทธเจ้าขุมี ตาสว่างสวยัยจึงนำธรรมะมาสอนโลกให้เข้าใจว่าอย่างนั้นผิดอย่างนี้ถูกอย่างนั้นควรทำอย่างนี้ควรเว้นนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่้งสองพันห้าร้อยยี่สิบ 2, กว่าปีแล้วคำสอนอันนี้ยังไมไ่เสื่อมไม่โทมไปที่ไหนคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอากาลิโกไม่มีการมีสมัยใครแต่เพื่อปฏิบัติตามอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ คนนั้นจะมีความสุขความสบายภายในใจถึงกายจะมีโรคภัยอย่างคนอื่นแต่ใจข้องท่านก่อนสงบใจข้องท่านก่อย เ, เย็นไม่มีเวรมีภัยไม่มียี่เดียตัญหาหนาไหนจะมารบกวนมนีไมยถึงสุขกับพฤติปฏิบัติตามอารรมัฏฐามสี่พระพุทธเจ้าสอนมีความสุขความสบายภายในอย่างนั้นแต่พวกเราท่านไม่เคยเห็นไม่เคยเจอเรื่องเหล่านี้จึงไม่สนใจอะไร ในอาจในธรรมฉะนั้นวันนี้เป็นวันพิศเศษถึงพวกทายกทายิกามาจากทิศต่างๆมาประชุมกันเพื่อจะทำบุญถุนทานเพื่อจะถอดกระถินในรันผุ่งนี้ถึงทางไปลำบากอยากอยุ่งก็ดยอมเสียสละมาเมื่อเวลา มาถึงวัดถึงวาถึงสถานที่พักเราก็จะต้องเอาบุญจากการภาวนาส่วนบุญดา้นานวัตถุนั้นเราก็ตั้งใจอยู่แล้วให้ได้ทั้งศีวทั้ทงสมาธิทั้ทงปัญญาใจขาดทุนสูนกำไรที่อุตส่าห์มาไกลแสนไกลลำบากแสนลำบาก พยายามที่นิพพเจนะเสียสละอารมณ์สัญญาต่างๆที่มาก่อขวนจิตใจให้ตกออกไปอย่าให้มาก่อขวนให้ได้รับความลำบากหาความสงบเย็นไม่ได้อย่าให้เป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นขาดทุนศูนย์กำไรไม่สมกลับมาใครให้คิดสอนใจของตัวอย่างนั้น เราเคยส่งจิตส่งใจไม่เคยสังวอ ร, รักษาปล่อยไปตามทั้ยาอารมณ์จงเคยเกิดขึ้นผ่านมาอยู่ตลอดเวลาความสุขความสางบของจิตเราก็ไม่เคยพบเคยเห็นอะไรให้ถ้าเรายังฝืนฝืนปล่อยไปตามธรรมชาติเราก็ไม่มีอะไรที่จะดีรีเศษไปเสริฐขึ้น ก็เหมือนเดิมอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเมื่อเวลาเรามาถึงที่สนบวิเวทไม่มีเหตุการณ์หน้าตัวอะไรใครเรีนอะไรตลอดถึงเสียงทางนอกก็ไม่ได้มาก่อควนปราทหูของเราเราจึงระวังจิตใจของเราอย่าให้ไปเกี่ยวข้องกับสัญญาอารมณ์ภายนอกต่างหน้าต่างตารักษา ใจิตใจข้องตัวให้อยู่ในวงค้องอัดค้องรำอย่าบริกรรมพุทโธพุทโธเพื่อให้ใจิตอยู่กับพุทโธก็ได้หรือจะกาหนดลมหายใจเข้าออกไม่ให้ใจิตใจไปเกี่ยวข้องพัวพันกับสัญญาอารมณ์ภายนอกก็ได้นี่คือการพักผ่อนเรื่องใจใจที่ไม่ได้พักผ่อนก็ไม่มีกำลังเหมือนกันกันกบกายของเรา ไม่มีการพักผ่อนหลับนอนไม่มีการทานการดืม่มกายกับทียไม่มีกำลังที่จะทำการทำงานใจกับทำนองเดียว ก, กันใจของพวกเราท่านตาเห็นหูได้ยินใจกัคิดไปตามที่ประสาทต่างๆไปประสบพบเท่าแต่ก็ไม่ใช่เกิอดอะไรเป็นของ อัศจใรย์ใจขึ้นเพราะเหตุดายเพราะใจไม่มีกําลัง ถ, ถ้าท่างๆสิ่งเหล่านั้นเขาใสดงออกบอกให้รู้อยู่ตลอดเวลาใจใจก่อนไม่มีปัญญาที่จะทราบความเป็นจริงของมันเพราะใจขาดกําลังคือความสงบขาดกําลังคือสมาธิมันจริงเป็นอย่างนี้เรื่อยมาแต่นั้นพวกเราโอกาสนี้เวลานี้ ที่เลยมาไปชุมกัน <c oughs> ในฐานะที่เป็นหัวหน้าหรือเขาสมมติว่าเป็นอาจารย์ <c oughs> ก็เลยมาฝูดธรรมะสู่กันฟังเพราะการสอนรับกันนั้นทางธรรมินในท่านาาก็มีไว้วสองอย่างคืออานิปฏิสั้นฐานปฏิสันฐานโดยอานิจจนี่ค่ัป้าอาหารสี่พักผ่อนยอนใจ ให้าัทาอาศัยนี่คืออานี่ยปฏิสันฐานถึงพวกเราท่านกวเคยประสบพบกันมาธรรมะปฏิสันฐานคืออธิบายธรรมะพูดธรรมะสู่กันฟังว่าอะไรทสิจะเกิดประโยชน์แก่จิตใจใจของเราได้มีผัวอธิบายให้เราเข้าจิตเข้าใจนี่ได้ชื่อว่าธรรมะปฏิสันฐานธรรมะปฏิสันฐานนั้นก็แล้ว แล้วแต่ท่านคููเทศจะพูดไปท่านที่มีความรู้ความฉลาดสามารถท่านก็พูดไปได้ดยืดยาวและก็มีเหตุผลที่น่าเชื่อฟังทำจิตทำใจให้เหลื่อมใสศรัทธาองค์อาจจ่าหานในการละชั่วบาเพ็ญดี แต่พูดที่ไม่มีสติปัญญาไม่มีกำลังสามารถอย่างนั้นก็พูดไปตามกำลังของตัวที่จะพูดได้มีอาจารย์เป็นคนป่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยศึกษาพูดไง่ายๆก็โง่จะตายไปไม่ใช่คนฉลาดอะไรพูดถึงโลกของเขาเรียนก็เพียงพอสามเท่านั้น ถึงทางโลกไม่มีคุณสมบัติคุณวุฒิอะไรแต่มาอยู่ในวัดในวาหลายปีหลายเดือนเขา้าทางศาสนาไม่เหมือนทางโลกคนทีบวดนานเข่ากักถือไหว้จ า, างทั้งทั้งสี่ไม่มีความรู้ความฉลาดสามารถอะไรเท่กาก็บตังชื่อให้นี่เป็นสมมติของโลกซึงได้รับเองไม่มีใคร แต่งตั้งแต่คนทั่วไปเขาถือว่าอาจารย์ก็ อ, อาจารย์โง่โงขนาดนี้แหละอยู่ตามความโง่ความหลงของตัวแต่ความรู้ความเห็นในความโง่มีแบบไหนก็พูดถูกกันฟังไปโลกอันนี้ <c oughs> ถ้าหากจะพูดถึงคนโง่คนป่าพูดมันกวาหน้าลุ่มหลง เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมัน อ, อยู่อายุสมมุิพับดีมุดคือจิตใจของเราไว้สม่ำเสมอไปเรื่องของโลกมันหลอกลวงจิตใจอยู่ตลอดเวลาเรื่องของทรรมไม่เคยสัมผัสอะไรในจิตในใจเหตุ น, นั้นจิตใจจึงมืดบอดตลอดมาพอมาศึกษาตั้งหน้าปฏิบัต ตามอัตธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะค่อยสว่างขึ้นในจิตในใจเข้าใจสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามเป็นจริงของมันไปถึงจะไในมีประกาศนิยบัติแต่รเราดีเราเด่นอย่างนั้นอย่างนี้ผู้ปฏิบัติปฏิบัติเป็นสันทิฏฐิโกคือเห็นเองจากจิตใจของตนแต่ก่อนเห็นรูปฟังเสียง จิตใจนึกคิดจิตข้องกับสิ่งเหล่านั้นอย่างไรต่อเมื่อมาประพฤติปฏิบัติภายในกำหนดจิตกำหนดใจประพฤติปฏิบัติขับไล่ขันธาอารมณ์ต่างๆจนจิตได้รับความสงบพอถอดถอนขึ้นมาพิจารณาสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงของมันมันเป็นอย่างไร จะเข้าใจชัดเจนในสิ่งเหล่า น, นั้นทางศาสนาเบื้องต้นเกิดมาจากปฏิบัติคือพระพุทธเจ้าปฏิบัติมาก่อนพอท่านปฏิบัติจนไปถึงปฏิเวสคือสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าจึงมาตั้งปริยัติขึ้นทีหลังแต่เราทุกวันนี้ปริยัติจึงปฏิบัติปฏิเวส การศึกษาเราเรียนเป็นไปคานองนั้นมันผิดกันกับสมัยก่อนคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ว่าสมัยปัจจุบันหรืออดีตที่ผ่านมาคนผูต่างหน้าต่างตาประพฤติปฏิบัติสนใจในธรรมะสนใจในตัวเองประพฤติปฏิบัติสอบดูจายราจาจิตอยู่ตลอดเวลา ว่าวันนี้เวลานี้จิตคิดอะไรกายทำอะไรวาจาพูดอะไรเป็นไปเพื่อความขัดเกลากิเลหรือเป็นไปเพื่อความสะสมกิเลมีสติรักษามีปัญญาแนะสอนใจของตัวนี่คือคนสนใจตัวของตัวตัวของตัวไม่ชั่วไม่ผิดจากศีลธรรมครสอนของพระพุทธเจ้า จิตใจมันกวีนถึงจะมีคนมาํัหนิว่าไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้เมื่อตรวจตาที่เจณาเรื่องการทำการพูดการคิดของตัวไม่ชั่วไม่เสียตามเรื่องผิดเขาตามนินินทาท่านก็ไม่ได้บ้าไปรับความผิดจากเขาท่านฉลาดอยู่ภายในจิตในใจใครเอาของเน่าของเหม็น ของสติกูลของชั่วมาให้ท่านไม่รับเอาแต่พวกเราไม่เป็นอย่างนั้นเขาตันมิว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งทั้งที่ตัวไม่ได้ทำชั่วทาเสี้ยแต่ก็ไปโกรธให้เขามี่คือรักของเน่าของเหม็นของสติกูลเขาชมเฉยสรรเสริญ ท, ท, ทั้งท่านที่ตัวไม่ดีตัวยังชั่วยังเสียก็เหื่อเฮิมหลงไหล ถอาใจแบบตัวดีตัววิเศษนี่คือคนขาดจากหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนถ้าคนมีหลักธรรมแล้วไม่ตื่นเต้นเย่นสงบนี่คือการฝึกจิตอบรมใจได้รับผลรับอา น, นิสงส์จากการฝึกการปฏิบัติของตนฉะนั้นเราทุกคนเมื่อยังมียิ่เลสตันหาอยู่ในจิตในใจ มันเป็นคนมืดบอดถามว่าตายไปแล้วมีเกิดอีกไหมแต่ถามตัวของตัวเองว่าเราตายขนาดนี้ระยะนี้จะไปเกิดเป็นอะไรจะไปคิดใดาทางไรก็ไม่ทราบเพราะมันมืดมันบอดมันไม่มีแสงสว่างในจิตในใจมันไม่มีธรรมมีวินันที่จะตอบตัวได้ถ้าหากกระเพื่ปฏิบัต การธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นมันจะทราบทุกขณะทุกระยะจิตใจอยู่ขั้นนี้เมื่อจิตติคือเคลื่อนคือตายจะได้เกิดที่ไหนมันทราบได้จากใจของตัวไม่มีอะไรที่จะสงสัยเพราะใจมันบนบ่งบอกอยู่แล้วนี่คือคนมีธรรมะแต่คนไม่มีธรรมะก็สงสัยเรื่อยไป ความของพระพุธทธเจ้าเป็นประเทศสำหรับส่องให้พวกเราถี่หนดบอดให้สว่างสวัยจงศึกษาชนิดที่จะรด้มาคนเราเกิดมาเพราะบุญกรรมตายแล้วต้องเกิดถ้ามีกิเลสตัญหามานาทิฐิมีอุปทานมีกรรมจำเป็นไม่อยากเกิดก็ต้องเกิดเพราะมันมีเชื่ออยู่ มันไหนสูญไปไหนถ้าสูญไปก็ไม่ควรทําอะไรเสียเลยเพราตา ย, ยาตายแล้วสูญคนที่ยาตายแล้วเกิดตายแล้วสูญนี้พระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์ถือว่าพวกนี้เป็นมิจฉาทิฐิอย่างร้ายแรงเคยเกิดเป็นอะไรตายแล้วก็เกิดเป็นอันนั้นมนุษย์ไม่ใช่พืชพันธ์ต่างๆเหมือนพวกถัวพวกงา หลือผลละไม้ต่างๆไปปลูกที่ไหนมะพร้าวมันก็เป็นมะพร้าวไม่เป็นส้มโอไม่เป็นมะม่วงแต่มะม่วงส้มโอเราไปปลูกที่ไหนก็เป็นส้มโอเป็นมะม่วงไม่เป็นมะพร้าวมีพืชพันธุ์ต่างๆมันเป็นอย่างนั้นถ้าเราเชื่อมันเดีวเราเคยเกิดเป็นคนก่อตายแล้วก็จะเกิดเป็นคนอยู่เรื่อยไปอย่างนี้เป็นทางที่ผิดคือคนที่คิดอย่างนั้นเข้าใจอย่างนั้นจะทําอะไร ก็ไม่กลัวกรรมวปไม่กลัวบาปกลัวชั่วเพราะตายแล้วก็จะได้เกิดเป็นมนุษย์อย่างเดิมอยู่แล้วเกิดเป็นคนอยู่อย่างเดิมอยู่แล้วมันเลยทําไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างครับเชื่อว่าตายแล้วศูนนั่นก็อีกอะจะทําผิดทําชั่วขนาดไหนตายไปก็ไม่มีวันเกิดมันก็ดับศูนไปนี่ก็ชั่วใหญ่เป็นบาปหนักเป็นกรรมท้าวพระเจ้า จึงถือว่าเป็นนิจชาทิจฐิอย่างร้ายแรงในควรที่จะเชื่อกีเลียตัญหาความชั่วเสียข้องใจในตัวข้องตัวอย่างนั้นควรนำแสงสว่างคือธรรมะมาที่จะเรีนนากันคนเราเกิดมาจากบุญจากกรรมตายแล้วถ้าหากในหมดกีเลียตัญหาไม่ไปจากในจิตในใจว่าเราละเราถอนเราตัดเราขาดพบขาดในตัวแล้ว มันจะเกิดอยู่วันยังคำ่ำจะปฏิเสธอะไรก็เกิดเพราะเชื่อมันยังมีอยู่แล้วการเกิดของเรานั้นทุกท่านปรารถนาเกิดในสถานที่ดีมีความสุขไม่ปรารถนาจะจะเกิดได้ที่ชั่ว